ชายคนหนึ่งนะมีการน้ำชาที่ราคาแพงมากเพราะว่าเป็นของเก่าตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เนื้อดีด้วยทำด้วยดินอย่างดีนะจากประเทศจีนเขาก็รักแล้วก็ทนุถนอมมากทุกคืนนี้ก็จะวางไว้บนหัวเตียงนะคืนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าขณะที่เขาอยู่บนที่นอนเนี่ยก็ เกิดเผลอเอามือปัดฝากาน้ำชาเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเลยเขทั้งเสียดายแล้วก็โมโหตัวเองมากนะที่เขาคิดว่าเนี่ยไห น, นเนี่ยฝานกาน้ำชามก็แตกไปแล้วจะเก็บกาน้ำชาเอาไว้ให้เจ็บใจทำไมก็เลยหยิบกาน้ำชาเนี่ย คว้างออกไปนอกหน้าต่างด้วยความโมโหตัวเองเสร็จแล้วก็เข้านอนตื่นเช้าขึ้นมาพบว่าก า, า, น, าน้ําชาเนีน่ยมันไม่ได้แตกมันตกอยู่ข้างเตียงแต่ว่ามันมีเปล่ยวอะไรนะมีฝากา Nam c ชานี่แต่ว่า การน้ำชาไม่เหลือแล้วพราะโยนคว้างออกไปนอง้าต่างเมื่อคืนโมโหตัวเองนะัไม่น่าคว้างการน้ำชาออกไปเลยในเมื่อฟ้านี่มันก็ยังดีอยู่แต่เมื่อทำไปแล้วนี่ก็ทั้งโกรธตัวเองนะแล้วก็เสียดายด้วยด้วยความโกรธนี่ก็เลยกระทืบ ฝาการน้ำชาจนแตกละเอียดเลยตอนสายนี่เขาเดินไปนอกบ้านก็เพราะว่าไอการน้ำชาที่เขาคว้างไปเนี่ยมันตกมันติดค้างอยู่ที่ต้นไม้ไม่บุบสลายไม่แตกไม่เล้าอะไรเลยก็กลายเป็นว่าไอการน้าชานั้นเนี่ยสูญไปเลยเพราะว่า มีการน้ําชาก็จริงแต่ว่าฟามันก็แตกไปแล้วแตกละเอียดพ่อแะไรพ่อเขาก็เทือบเองกระเทือบพ่อแล้วกระเทือบพ่อคิดว่าการน้ําชานี่มันคงจะตกกระแทกพื้นร้าวเสียหายไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเรานะสอนว่าเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเพราะว่าความจริงอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้ ชายคนนี้เนี่ยตอนที่ทาําฝาการน้ําชาตกเนี่ยกระแทกพื้นเนี่ยคิดว่าแตกแล้วพอคิดว่าแตกแล้วทําไงอ่ะการน้ําชาที่เหลือก็ไม่มีประโยชน์เก็บไว้ก็เจ็บใจเปล่าเป่าก็คว้างคิดว่าคว้างไปที่หน้าต่างแล้วนี่มันจะตกแตกเพราะฉะนั้นพอพบว่าฝาการน้ําชามันยังดีอยู่ไม่ร้าวไม่แตกเลยก็เลยโมโหตัวเอง กระทือบจนแตกอันนี้ก็กลายเป็นว่าของดีมีค่านี่นะมันแตกมันพังเนี่ยเพราะตัวเองเพราะความเข้าใจผิดของตัวเองความจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เรานึกอย่างที่เราคิดเรื่องนี้อย่างสอนว่านี่อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนให้ใจเย็น ใจรอดใ น, ท, นที่นี่ก็คือว่าเนี่ยด่วนสรุปเนี่ยประกาศแรกเลยคือด่วนสรลบนะว่าฝาการล้ชาชามันแตกไปแล้วทั้งที่ไม่เห็นเลยแต่สรุปไปเรียบร้อยแล้วก็เลยคว่างการล้ชาชาทิ้งไปเลยฟังไปแล้วก็ยังด่วนสลบว่าเอ้ยมันแตกไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าฝามันยังดีอยู่ก็ไม่มีประโยอะไรถ้าก็้าใจเย็นสักนิดนะอะ่ไม่ด่วนสรุป นะก็ไม่รีบไม่รีบเชื่อความพิดของตัวเองพิจารณาถีต้วนนะการน้ำชาก็ยังใช้การได้เหมือนเดิมนี่เขใจร้อนนะด่วนสรุปแล้วก็พลีรามนะทำในสิ่งที่ไม่คิดให้รอบคอบอันนี้เขใจร้อนนะใจร้อนต้งด่วนสรุปด้วยแล้วก็พีพรามนะขว้าง การน้ำชาทิ้งทั้งที่ไม่ได้ดูอะไรให้รอบคอบสักหน่อยเองก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องแน่ใจใจตรองให้รอบคอบนะเดี๋ยวพึ่งตรวนสรุปนะเพราะความจริงมันอาจจะไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดในชื่อตคนเรานี่ก็คงจะเผลอทาแบบนี้อยู่บ่อยๆนะรองเท้าเนี่ยรองเท้าแตะ วางเอาไว้ตรงประตูบ้านเนียวันหนึ่งเนี่ยรองเท้าแตะข้างหนึ่งก็หายไปสงสัยหมามันฆ่าเราไปมัง้งในรองเท้าแต่เหลือข้างเดียวมีเพียวเลยนะก็เลยเอาข้างที่เหลือนี่คว้างทิ้งเลยคว้างลงบอ่อหรืออาจจะดีหน่อยนะอะใส่นังขยะ แต่พอคนมาเก็บขยะเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าอา้าวอีกข้างหนึ่งที่หายไปเนี่ยนมาเจอเข้านะไม่ไกลนะจากบ้านนี่แต่มีไม่มีประโยชน์ละเพราะมันแค่ข้างเดียวแต่นี่ยังดีนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่สิ่งของแต่บางทีมั น, มนเกี่ยวข้งของกับผู้คนด้วย อย่างคนหนึ่งเนี่ยนะทำของของหายก็คิดว่าคนใช้นี่ขโมยไปไล่เขาออกหรือถึงไม่ไล่ก็ด่าแต่พอเขาออกไปแล้วก็มาเจอของชิ้นนั้นที่จริงเขาไม่ได้ไปหรอกตัวเองวางผิดที่แต่ไปด่วนสรุปแล้วว่าเนี่ยว่าเขา ขโมยเนี่ยหรือว่าคู่รักเนี่ยนะทะเลาะบอกแวงกันพอไปเข้าใจว่าเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนอกใจไปคบคนอื่นแต่ที่จริงแล้วนี่เขาไม่ได้นอกใจหรอกแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ก็ทะเลาะไปเรียบร้อยแล้วหรือบางทีก็ด่าทอกันอย่างรุนแรงทั้งที่เขาไม่ได้ทําผิดนะแต่ว่าก็ไปเหมาแล้วว่าเขานอกใจอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าด่วนสรุปไปเห็นลักษณะอาการที่ถ้าบางอย่างอ่ะก็เหมารวมว่าเนี้เยเขานี่ขโมยของไปแน่นอนหรือว่าคู่รักของตัวนี้นอกใจนะมีคนอื่นนะ กว่าจะรู้ความจริงเข้าก็เกิดความเสียหายไปเรียบร้อยแล้วนั้นสมัยนี้เนี่ยนะคนเรานใจร้อนมากเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของความใจเย็นหรือว่าความยับยั้งชั่งใจเท่าไหร่เพราะว่าอะไรแล้วก็เลยไปหมดนะโดยเพราะการที่ไม่รู้จักนะทักท้วงความคิดหรือว่ารู้ทันความคิดนะไปเชื่อความคิดมากมันก็เลย ถูกความคิดหลอกถ้าคิดดีก็แล้วไปแต่ถ้าคิดไม่ดีคิดผิดคิดผ่านยิ่ก็เกิดความเสียหายเพราะนั้นเนี่ ย, ยต้องเตือนใจตัวเองอยู่เสมอนะว่าในสิ่งที่เห็นนี่หรือสิ่งที่คิดนี่อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างสิ่งอย่างที่เราคิดนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนเชื่อนะดูไต่ตองให้ทีท่วน อันนี้รวมาถึงการอ่านข้อความทางโซเชียลมีเดียด้วยนะเดี๋ยวนี้มันก็มีข่าวข่าวข้อมูลข่าวสารที่เห็นแล้วก็เชื่อทันทีบางทีไม่ได้ดูรายละเอียดด้วยซ้ำนะดูแค่พัดหัวข่าวก็เชื่อเลยแล้วก็ไม่ได้เชื่อเปล่าๆลงมือนะลงมือทำนะลงมือดา่าหรือว่าลงมือแชร์ ให้กระจากไปเกิดความเสียหายตามมามากมายบที่ก็แก้ไม่ได้แล้วต้องใจเย็นเอาไว้นะออย่าพึ่งด่วนสรุปนะพิจารณาถี่ถ่วนมองให้เห็นด้วยตาชัดๆก่อนนะอย่างเช่นนะทำฝ้ า, าการล้ําชาตกกระแทกพื้นก็อย่าพึ่งไปด่วนสู้ว่ามันแตกนะดูให้ชัดดูด้วยตาเออมันแตกแล้วเนะี่ยเอถึงค่อยว่ากัน น, นเตือนใจตัวอยู่เสมอนะว่าอย่าใจร้อนนะทำอะไรก็ก่อนจะทำก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะให้แน่ใจสะก่อนว่าความจริงเป็นอย่างไรนะจึงค่อยลงมือทำให้มันสอดคล้องกับความจริงทุกสุข ก, กับกรณี